อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ4ี่รดสหนึ่งภิกษุจากไปด้วยคิดว่าสงฆ์จะมีความบาดหมางทะเลาะขัดแย้งหรือวิวาทกันสองภิกษุจากไปด้วยคิดว่าสงฆ์จะแตกแยกจากคราษฎรสามภิกษุจากไปด้วยคิดว่าสงฆ์จากทำกรรมโดยไม่เป็นธรรมแยกพวกกันทำหรือทำแก่ภิกษุผู้ไม่ควรแก่กรรมสี 4. ภิกษุเป็นไข่จึงจากไป 5. ภิกษุจากไปด้วยกิจที่จำเป็นของภิกษุผู้เป็นไข้ 6. ภิกษุปวดอุจจาระปวดปัสสาวะแล้วจากไป 7. ภิกษุไม่ตั้งใจทำให้กรรมเสียจากไปด้วยคิดว่าจะกลับมาอีก 8. ภิกษุวิกลจริต 9. ภิกษุต้นบัญญัติฉันทะอัฏตวาคมรนะสิกขาบทที่สิบจบ